เราจะแสดงธรรมแก่เธอเธอจงตั้งใจฟังธรรมะนั้นจงมานสิการให้ดีเราจะแสดงหน้าบัตรนี้ก็คือแสดงว่าถ้ามักมีองค์แปดมีในธรรมะวิัยใดธรรมะวินัยนั้นไม่ว่างจากสมณนะนี่นะคือไม่ว่างจากสมณะที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ก็คือไม่ว่างจากผู้ที่บรรลุอริยผลทั้งหลายนะเพราะฉะนั้นเว้นวาธาของสมณะพราหมณ์ปุุชนฝ่ายปรัปปาวาต ปรบวกวาทะอันนัพระแปลว่าพวกอื่นวาทะแปลว่าทิฏฐิเพราะฉะนั้นทิฏฐิกระถานเนี่ยเป็นการเว้นรับที่มิจฉาทิฏฐิทั้งหมดแล้วแสดงอัถังคิกมักอริยมักอันประกอบไปด้วยองค์ประกอบไปด้วยองแปดอันประเสริฐและเพราะยานกล่าวคือสัมมาทิฏฐิเนี่ยเป็นประธานในอัถังคิกมักอันเป็นประธานเพราะฉะนั้น ด้วยเหตุนังกล่าวมาจึงยกยาห น, นั ก, กถาไว้เป็นเบื้องแรกเนี่ยนะเหตุผลที่กล่าวไปนะพอสรุปได้นะว่าเหตุผลที่ยกยาขึ้นเบื้องแรกคือหนึ่งเพราะเป็นเบื้องต้นแห่งการปฏิบัติเนี่ยนะเป็นเบื้องต้นแห่งการปฏิบัติเพราะถือว่าเป็นทิฏฐิที่ตรงสองถือว่าสัมมาทิฐินนนเนี่ยนะยาเนี่ยเป็นตัวแยกว่าอะไรเป็นสัมมายาเออสัมมาสัมมามัค ก, กับมิจฉามัคแล้วก็เป็นการงดเว้น ทิฏีที่เป็นอดีตทิฏีที่เป็นอนาคตเนี่ยนะกล่าวเฉพาะอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองแปดทีนี้ตั้งคำถามต่อไปว่าทำไมในยานเจ็ดสิบสามเนี่ยจึงยกสูตตมายายานเป็นเบื้องแรกนะตั้งคำถามใหม่ก็นะ ต, อตอบว่ายกโสดาปฏิยัง่าธรรมที่พระองค์ตรัสไปว่าดูก่อนพิสูธทั้งหลายองค์แห่งการบรรลุโสดาบันสี่อย่างเหล่านี้โสดาปฏิยังธรรมี่ประการคือหนึ่งสัพปุริสัง สัพปริสังเสโวการคบหาสัต บ, บุรุษสองสัทธธรรมมาสวนาะการฟังพระสัทธรรมสามโยนิโสมนัสิการการทําไว้ในใจโดยเย็บขายสี่ธรรมานุธรรมปฏิปติการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ทรรมเพราะฉะนั้นถือว่าการฟังพระสัทธรรมเนี่ยนะนับว่าเป็นสุตตมัยยานนะข้อพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ต้องแสดง ธรรมะให้ฟังเพราะฉะนั้นการฟังเนี่ยถือว่าเป็นยานเบื้องต้นที่สําคัญมากต่อต่อในยานเจ็ดสิสามทั้งหลายเนี่ยนะสุตตะมยายานหรือการฟังธรรมนเนี่ยนะสัทธรรมะสวนาเนี่ยสําคัญกว่าเพื่อนเนี่ยนะในบรรดายานทั้งหมดนะเนีเพราะว่าจุดประกายแห่งปัญญาก็ต้องอาศัยการฟังผู้ที่ไม่ต้องฟังเนี่ยมีอยู่สองท่นนะคือพระพุทธเจ้ากับพระปเจกับพุทธเจ้าเานี่ยทีนี้ท่านก็ยังยกข้อความใน กีตาคิริสูตรมาอีกเนี่ยยกข้อความในกีตาคิริสูตรกับจังกีสูตรที่แสดงกับกาพธิกะมานบวากุลบุตรเกิดศรัทธาแล้วย่อมเข้าไปใกล้เนี่ยเมื่อเกิดศรัทธานะหมายนี้หมายถึงศรัทธาในพระพุทธเจ้านะว่าเมื่อเกิดศรัทธาแล้วย่อมเข้าไปใกล้เมื่อเข้าไปใกล้แล้วก็ย่อมนั่งใกล้เมื่อนั่งใกล้แล้วก็เงี่ยหูลงเมื่อเงี่ยหูลงแล้วย่อมฟังธรรม ขันฟังธรรมแล้วย่อมทรงธรรมะไว้ได้คือทรงจำรักษาอาไว้เนี่ยนะแล้วก็เมื่อทรงธรรมแล้วก็พิจารณาเนื้อความแห่งธรรมะที่ทรงไว้แล้วเมื่อพิจารณาเนื้อความอยู่ธรรมะทั้งหลายย่อมทนซึ่งความพินิจคือทนต่อการเพ่งอนะเนีเมื่อธรรมะทนต่อความเพ่งได้อยู่ฉันทะย่อมเกิดนะก็คือลักษณะของฉันทบาที่บานะเมื่อฉันทะเกิดแล้วก็อุตสาหะ ครั้นอุสาหะและย่อมไตรตรองครั้นไตร่ตรองแล้วย่อมตั้งความเพียรมีตนส่งไปแล้วแปลว่าไม่อะไรในร่างกายและชีวิตคําว่ามีตนส่งไปเนี่ยนะแปลว่าไม่ไม่อะไรในร่างกายและชีวิตน้อมจิตไปเพื่อพระนิพพานเพราะฉะนั้นย่อมทําให้แจ้งซึ่งประมาทศัจจะคือพระนิพพานด้วยนามกายและเห็นแจ้งแทงตลอดซึ่งประมาทศัจจะคือนิพพานด้วยปัญญาเนี่ยไง ก็กระดับนี้นับว่าสําคัญมากนะที่จะเจริญงอกงามในพระศาสนาหรือไม่เกิดสธาแล้วก็เข้าไปใกล้เมื่อเข้าไปใกล้บางทีก็อยู่ห่างๆกันเลยบางทีพวกเข้าไปใกล้นะแต่ว่าบางคนก็ไม่เข้าใกล้อะไรอคําว่าเข้าใกล้ก็ใกล้ในรัศมีพอฟังได้ก็ไม่ได้ว่ามันเกินไปอีกนั่นแหละอย่าไปเลยทงอะไรมากมายขนาดนั้นนะก็พอดีพอดีพอฟังได้อ่ะทีนี่เมื่อก่อน น, นงงเอ๊ะทำไมต้องก็ไปนั่งใกล้มันก็ต้องฟังอย่างเดียวอะทําไมใช้คําว่าเงี้หู ตอนหลังนี่เข้าใจเลยคือเขามีกลุ่มคนที่ไปไปพูดให้ฟังก็มีไม่ใช่มาฟังทำนะเขามีกลุ่มที่มาพูดให้พระฟังก็มีเขาก็พูดเรื่องของเขาไปพอเราเริ่มพูดธรรมะบ้างเขาก็จะดูนาฬิกาบอกได้เวลากลับแล้วประมาณนั้นเอาแล้วตอนนี้สมควรแก่เวลาแล้วน่ย น, นะ เขาก็คุยเรื่องของเขาจบไปเลยนะเรื่องทั่วไปเนี่ยนะเรื่องลูกเรื่องร้านเรื่องบ้านเรื่องช่องธรรมา ก, กินของเขาอนะี่ะเขาคุยจนจบพอเราจะเข้าธรรมะบ้างนะเขาก็บอกเขามีธุระกลับแนละ้วแล้วก็ก็กันเลยเข้าใจอ๋อใช่ในหน้าเลาเก็บอกว่าพวกนี้ต้องไปเงี่ยหูฟังไม่ใช่ไปเล่าให้ท่านฟังอนะแต่ถ้าไปเล่าอาริยสัจมันก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมไปเล่าเรื่องที่ไหนก็ไม่รู้แล้วก็กลับดงนั้นบางพวกก็ฟังใช่ไหมแต่ก็ไม่ทรงจำเอาไว้่ย บางพวกก็ทรงจําแต่ว่าไม่เอาไปคิดต่อไปพิจารณาไม่ได้หรือพวกที่พิจารณาเนี่ยนะบางทีก็ทบพิจารณาอยู่ไม่นานแต่ถ้ากล่าวไปจริงๆนะจะเป็นไปโดยลําดับนี้จริงๆสําหรับผู้ที่จะเจริญงอกงามในพระศาสนาเนี่ยต้องเป็นไปตามลําดับนี้จริงๆเนี่ยนะส่วนธรรมะทั้งหลายย่อมทนต่อการเพ่งเนี่ยนะทั้งสมถวิปัสนาที่พระองค์สอนเนี่ยนะมันก็ทนต่อการ พิจารณาว่าพิจารนาแล้วก็จะยอมรับว่าเออใช่ใช่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยนะนี้ผู้ทีออ่ธรรมะทนต่อการเพ่งก็จะทําให้มีความพอใจนะฉันท์าเต็มที่ที่จะเจริญเนี่ยนะมั่นใจว่าไม่ได้เดินทางผิดเพราะฉะนั้นก็อุตสาหะภาคเพียนพยายามอย่างเต็มที่เนี่ยนะคำว่าไตรตรองตรงนั้นก็ไตรตรองโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเป็นต้นในทุกขัสัตนะ แล้วก็ตั้งความเพียรตั้งความเพียรทางกายและทางจิตสละร่างกายและชีวิตไม่อะไรในร่างกายและชีวิตน้อมจิตเพื่อกระทําให้แจ้งพระนิพพานก็แปลอะไรนะเจริญโพชฌงอาศัยวิเวกอาศัยวิราคาอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละนั่นแหละเพราะฉะนั้นในบรรดาสูงที่สําคัญนะัสตตมยะยานนี้สําคัญมากในบรรดายานทั้งหลายนีหน่หลายๆแห่งท่านก็บอกว่า โยนิสโสมนัสิการก็คืออาวชนะนั่นเองนะทีนี้ถ้าอย่างในโสตาปฏิยังคธรรมสี่ประการเนี่ยนะองค์ที่จะทําให้บรรลุโสดารันคือการคบสัตบุรุษการฟังธรรมของสัตบุรุษคําว่าฟังธรรมคือฟังอะไรก็ฟังอริยสัจจะทำทีนี้อริยสัจจะทำเนี่ยนะเมื่อฟังแล้วมโยนิสโสว่ายังไงถ้าทุกขสัตโยนิสโสว่ายังไงก็โยนิสโสว่าอนิจจังทุกขังและอนาตานั่นเอง ทีนี้ถามว่าไอการโยนิโสอนิจังทุกขังอนัตตาเนี่ยต้องทําแค่ไหนก็ให้มันคู่ควรกับการบรรลุโลกุตระก็แล้วกันเนี่ยนะคู่ควรกับการบรรลุโลกุตระเพราะฉะนั้นการโยนิโสมนัสิการต้องโยนิโสมนัสิการควรแก่การกําหนดรู้ทุกควรแก่การละสังุไทยควรแก่การทํำนิโรธให้แจ้งควรแก่อริยมรักที่จะเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เนี่ยนะก็โยนิโสมนัสิการต่อไประดับนั้น ถ้ากล่าวว่าโยนิโสมนัสิการคืออาวัชนะเนี่ยนะมันตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงมควิถีจําเป็นต้องมีอาวัชนะนําหน้าทั้งหมดเนี่ยนะก็ต้องโยนิโสมไปตลอดเนี่ยนะก็ในที่อื่นก็กล่าวว่าโยนิโสมเว้นไว้แต่หลับอ่ะเนี่ยนะก็ต้องใไขครวนมนัสิกานพระธรรมเนี่ยเว้นแต่หลับก็ถ้าอ่านในสมัยอ่อานในมหานิเทศก็เรียกว่าตลอดการทุกเมื่อเนี่ยนะ ตลอดการทุกเมื่อขณะไหนทั้งก่อนอาหารหลังอาหารทั้งตอนเชา้าตอนสายตอนบ่ายตอนค่าปฐ ม, ม, มยามมัชชิมยามปัชชิมยามอ่ะ น, นะตอนข้างขึ้นข้างเรมอะ น, นะต้องทําอย่างนี้ข้างขึ้นข้างแรมทําอย่างนี้ตลอดฤดูหนาฤดูร้อนฤดูฝนทําอย่างนี้ตลอดวัยต้นไวัยกลางและไวัยสุดท้ายจริงๆท่านก็อยากจะพูดว่าให้ทําตลอดชีวิตนั่นแหละต้องแล้วก็สําคัญที่ความติดต่อกันเนี่ยนะต่อเนื่อง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 พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงทําโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพร้อมทั้งหมูสัตว์ให้แจ้งชัดด้วยพระปัญญาอันยิ่งด้วยพระองค์เองแล้วเนี่ยนะพระองค์ก็สอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดาแล้วพระองค์พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นะพระตถาคตนั้นก็แสดงธรรมะคืออริยสัจใช่ไหมที่ไเราะทั้งเบื้องต้นไเราะทั้งข้ามกลางไเราะในที่สุดไพระในเบื้องต้นนี้เหมาะกับใคร ปกติตันญูไพร่ ใ, รรในท่ามกลางนี่เหมาะกับใครวิปัญจิตันยูไพร่ในที่สุดก็คือในญาตบุคคลธรรมะที่แสดงไพร่ที่ทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดคืออะไรก็คือสติประธานสี่สมมติประธานสี่อธิบาทสี่อินทรี่ห้าทละหา้าโพชฌงเจ็ดอริยมัติมีองแปดพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกเพื่อแสดงธรรมเหน็นะหมจรงไหก็เกิดไว้แสดงธรรมอ่ะนะเราก็เมื่อแสดงอ่ะนะเราก็จะได้ปัญญาจากพระ อ, องค์ก็ต้อง โสทาวัฏนาปัญญาใช่ไหมปัญญาที่เกิดจากการฟังเนนะี่ยนรับการที่จะรับสื่อสารข้อมูลจากพระพุทธเจ้าได้ก็ต้องอาศัยการฟั ง, ฟงเพราะฉะนั้นจึงทำญาณนะกถาไว้เป็นเบื้องต้นแล้วก็สุกตมะยญาณเป็นเบื้องต้นโดยอนุโลมตามพระสุตตันตบทคือบทที่มีอยู่ในพระสูตรไม่ใช่น้อยตามที่กล่าวมาแล้วนี้เป็นต้น น, นะอันนี้ก็เป็นเหตุผลสําคัญที่ยกอ ยานนกถาขึ้นเป็นเรื่องแรกในสามสิบเรื่องและยกสุตตะมยยานเป็นเรื่องแรกในเจ็ดสิบสามยานเนี่ยนะก็ยานนกถานี้ก็ยังแบ่งออกเป็นสองชุดอีกไหมคือชุดอุเทศกับนิเทศอุเทศหัวข้อนิเทศขยายความอุเทศในอุเทศท่านแสดงยานเจ็ดสิบสามด้วยสา ม, มาถแห่งมาติกามาติกาก็คือสารบันนั่นแหละก็สมัยนี้เรียกสารบันทั้งหลายก็อเอาไว้ให้ท่องนะ ก็ยกตัวอย่างเช่นโสตวัฏานีปัญญาสุตมะเยยานังว่าแปลว่าปัญญาในการทรงจำธรรมะที่ได้ฟังมาแล้วเป็นสุตามายะยานทีนี้นิเทศละ่ะนิเทศในยานเจดสิบสามเหล่านั้นนั่นแหละโดยพิศดานโดยพิสดานก่อนจะนิเทศก็ถามว่าอย่างไรชื่อว่าปัญญาที่ปัญญาที่เกิดในการทรงจำธรรมที่ได้ฟังมาแล้วก็บอกว่า ปัญญาเป็นเครื่องทรงจำธรรมที่ได้ฟังมาแล้วคือรู้ปัญญาเป็นเครื่องรู้ชัดซึ่งธรรมะที่ได้ฟังมาแล้วนั้นว่าทำเหล่านี้ควรรู้ยิ่งเป็นต้นอย่างนี้แหละชื่อว่าสุตตะมยญาญามันสุตตมยญาญาก็แสดงเป็นสองข้อคืออุเทศกับนิเทศอย่างมาติกาเลยนะมาติกากุที่เป็นอุเทศเนี่ยอยู่หน้าหนึ่งอยู่หน้าหนึ่งไนหะ หน้าหนึ่งข้อหนึ่งว่าปัญญาในการทรงจำธรรมะที่ได้ฟังมาแล้วเป็นสุตมะยะยานส่วนนิเทศนิเทศนี่อยู่ในหน้าหนึ่งร้อยหกสิบห้านะหลายท่านไม่มีนะถ้ามีเล่มเล็กก็ไม่มีอันนะั้นนิเทศอยู่หน้าหนึ่งร้อยหกสิบห้าก็ขยายเป็นสิบหกหัวข้ อ, อ น, นะส่วนหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นปฏินิเทศนนะเป็นปฏินิเทศขยายอย่างกว้างขวางอะไรคะ น, นี้ ขยายตามอุเทศคือหัวข้อที่กล่าวไปทีนี้เรามาเรียนเฉพาะอุเทศก่อนนะอุเทศในหน้าสามสิบสามต่อไปว่าคือการขยายพระบาลีในอัตถกถาเนี่ยจะขยายลําดับทุกคําทุกคําไปนั้นคําไหนที่น่าขยายท่านก็เอามาขยายให้เราฟังนั้นของเราก็ตอนนี้ก็ถือว่าเรียนสัจธรรมมตกาสีนีเรียนอัตถกาถาปฏิสัมพิธามมัชนั่นแหละ